เดี๋ยวเนาะั น, ะ น, นพรุ่งนี้นะเป็นวันมาปัตตุชาเป็นวันที่นะวันสองพันในพุทธศตวนาษนนะวันหนึ่งวันที่พระพุทธเจ้าท่านเรียนกะว่าให้องว่ากับพรนะพิสุทธเพื่อพระพิสุทธก็จะได้ไป สอนแยกโยมนะสอนง่ายๆอย่ที่เราจัดเนาะการการไม่ทำบาปทงตัวเราได้ฟังแล้วเราก็กลับมาดูตัวเองชีวิตที่ผ่านมาเราทำบาปเยอะหรือเปล่าบาปก็คือคือสิ่งที่เราหลงเนาะเราหลงหลงทำผิดสิลนะ หลงผูดผิดนะหือหลงที่ผิดอัอ น, นเป็นเป็นบาปนะบาปมีบางคนก็เข้ามาปึกษาว่าบางทีเราก็คิดไม่ดีนะเช่นคิดไม่ดีกับอเวลากราบพระก็คิดไม่ดีกับพ ร, นะระพุทธเจ้าจนทีเข้าวัดก็คิดไม่ดีกับพระสงฆ์นะ ก็เกิดความไม่สบายใจไม่สบายใจที่ที่เราคิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่สบายใจไม่กล้าเขาวัดไม่กล้าเจรพักเข้าต้มาคืยคนจะมาก็ไมีได้คิดอะไรนะแต่ก็อาจจะคิดอะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็คือความไม่สบายใจนะที่มันเกิดจากสิ่งที่ที่ทําไม่ดีอันนั้นคือแตงมาว่าว่าปิดปิดพอี เ ร, เราปล่อยวางความคิดหรือความรู้สึกไม่ดีนั้นไม่ได้นั้นบากกว่านะคือที่ทำไปแล้วหรือที่คิดไปแล้วหรือที่พูดไปแล้วถามว่าเราตามไปแก้ไขได้ไหม <c oughs> แต่วก็แก้ไม่ได้นะนะมันมันไม่เหมือนเขียนผิดแล้วก็ลบนะดยด้วยว ย, ยางลบหรือด้วยลดนดะ้วยติ๊ก แต่ก็ถ้าดูดีเหมือนสิ่งที่เราลบมันก็ไม่เหมือนก่อนที่เราจะเขียนเนาะอืมันก็ยังมีรอยต่อในที่ผิดหรือรอยยังลบอยู่นะมันก็เป็นร่องรอยเนะ น, นี่ยอันบาปที่จริงถ้าเราก็จะหลักจริงๆมันได้กันแก้บาปโดยการไปประดอกเคาะหรือว่าไปทําบุญล้างนะความผิดต่างๆที่เคยทํา แต่ถ้าเราเชื่อ ก, กรำนะนะเก็จะยอมรับผลของกรรมไม่ว่ากรรมนั้นจะเกิดอย่างไรนะแล้วก็ยอมรับตรง น, นั้นนะยอมรับการยอมรับเนี่ยมันจะทําให้ใจไม่ทุกข์แต่การปฏิเสธไม่อยากให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจิตมันจะทุกข์มันยังไม่เกิดนี่ก็ทุกข์ไปนะใช่ไหมเรือว่าเกิดขึ้นแล้วก็ยิ่งทุกข์ไปเพราะว่าใจปฏิเสธสิ่งสำคัญคือเรายอมรับความจริง ยิ่งอย่างถ้าใครได้เคยอ่านเรื่องราวของพระพุทธเจ้าหรือของพระสาวกน ะ, นะมันก็มีมันเรียกว่าเป็นาาวิบากของกรรมที่พระพุทธองค์หรือพระสาวกก็ต้องเจอนะก็มีไมพนอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะปริิญญ า, า8ปีนะก็มีตัดนะพรบ พระเจ้าพิทูกระพากท่านก็เรียกว่ามีความอาฆาตกับตัจะวงศ์ก็คือตระกูลของพระพุทธเจ้าก็มาฆ่าแทบจะได้วัดแทบจะยกโคตรเลยเนาะตายเจอบหมดพระพระุทธองค์ก็ยังมีพระชนชีวิตอยู่ก็ยังห้ามกรรมตรงนั้นที่เขามีระหว่างกันไม่ได้อันนี้คือพอเราพิจารณาแบบนี้มันก็เป็นเรื่อง ไม่ใช่พระพทธเจ้าท่านมีความรู้หรือว่ามีอิทธิฤทธิ์ทุกอย่างจะจะพิชนะจะพิช ก, กรรมของคนอื่นได้มันก็ไม่ใช่นะมันต้องเป็นเรื่องกรรมของเขาหรืออย่า ง, ง, งพระพระโมคคานะตอที่ท่านเสดเสียชียวิตก็โดนคนทําร้ายนะ่ะทุบตีจนเรียกว่าแหลกสลายแบบนี้เนะาะทั้งทั้งที่ท่านก็เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มาก อ, ออกมือเดินอากาศไปที่ไหนก็ได้หนีหนีไปที่อื่นก็เคยหนีอยอะแต่สุดท้ายก็หนีกลับไม่พ้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่กร่าที่เคยกระทําเนาะน่ะมันเราหนีไม่พ้นน่ะแต่บาปจริงจริงคือเราไม่วางมั น, นเราอยู่ในยึดอยู่ในสิ่งที่เราทนะําน่ะมันก็เลยเป็นบาปติดใจไม่สบายใจผลของ ตรงนั้นยังไม่เกิดแล้วก็ทุกข์ใจล้นะหรือคิดเมื่อไหร่ก็เกิดความทุกข์ใจแต่เราจะละบาปตรงนั้นได้ยังไงนะละบาปได้โดยการรู้สึกตัวว่าอันนั้นเป็นอดีตนะอย่างที่เราสวดอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มานะิ่งที่เราทาได้จริงๆคือปัจจุ บ, บันนะนะอันนี้คือเป็นบุญนะบุญที่เราเกิดปัญญาตติ ป, ปัญญาขึ้นว่า บาปมันผ่านไปแล้วนะเดีก็ตามไม่ดีก็ตามมันผ่านไปแล้วเรากลับมาอยู่ที่ที่ปัจจุบันนะพอเรากลับมาอยู่กัปัจจุบันนะแล้วก็ถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับปัจจุบันแล้วก็อยอมรับความจริงตรงนั้นเนาะ mm hmm. อืมเช่นนะพราะว่าท่านตัดไว้ตอนหนึ่งนะตอนตอนที่ท่านจะปฏินิาพานก่อนปฏิญิพพานนิดหน่อยนะ ท่านฉันอาหารมือนะอาารม้อสุดท้ายเนี่ยอาหารมื้อสุดท้ายแล้วก็ท่านก็เกิดอาการเหมือนท้องเสียเนาะเนะียอาหารเป็นพิษใช่ไหมเนาะก็ท่านตะบอกกับอานนท์ว่าเนี่นะยจะ่าไปโทษผู้ที่ถวายอาหารมื้อสุดท้ายของเรานะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่กรรมของเขานะมันเป็นวิบากของรรมของเรานะียท่านก็พูดว่าอดีตชาติก่อนนะั่นู่นเนาะ ท่านเคยเป็นหมอเคยเป็นหมอแล้วก็เคยเคยสั่งยารักษาคนไข้แล้วปรากฏว่าคนไข้ก็อาการลดลง น, นนี้คือการที่ท่านได้มารับทำให้ท่านต้องมาถ่ายเป็นเลือดต้องมารับทุกขเวทนาก่อนที่จะไปนิพพานอันนี้ไปเป็นหมอฟังก็อาจจะตกใจนะใครผ่านกาจะ ก่อจะเที่ยงชันก็ต้องผ่านรักษาผิดรักษาผู้ไม่ใช่ว่าผิดตอกแล้วแต่บาีมันก็อาจจะไม่ไดดีขึ้นทุกครั้งนะแต่นี้แม้ไม่ได้เกนน็แต่ตนานะแต่บางทีก็อาจจะเกิดแบบนั้ น, น, นได้ น, นี้คือมันก็เป็นเรื่องเรื่องกรรมนะแต่มันก็เกิดขึ้นแต่เพียงแค่กับร่างกายแต่ใจแต่ใจเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับวายมันก็ไม่ทุกใจ เพราะพระุทธอง์ก็ก็รับวิบากของกรรมตรงนั้นที่ต้องน่ะทายน่ะเป็นเลือดแต่นี่ต้องเดินทางมาถึงกุฏินารานอกก็เหนื่อยกินน้ำนอนพักแต่ก็ใจไม่ทุกเนาะก็ยังแสดงธรรมโปรดสุดพัฒนาสาวกองจุดท้ายได้น่ะแสดงโอวาทปาฏิโมก่ะเตือนพวกเราให้ไม่ประมาทได้น่ะ เข้าใจที่มีทุกข์นะเราก็เห็นนะหรือยังทวะมาหรือพระอาจารย์ท่านก็เห็นอย่างเช่นอช่วงหลวงพ่อคำเคียนนะตอนที่ท่านจ ะ, ะรับสังขารเราก็เห็นร่างกายที่ที่ทรมานจากจากอาการที่ก้อนเนื้อมันไปปิดกัน้นทางเดินหายใจอยู่นี้เนาะะเราเดียนใว่าคนหายใจไม่ได้นะ่ะมันก็ทรมารยนะ์เนาะร่างกาย แต่โดยสีหน้าแววตามันไม่ได้แสดงความกระวนกระวายหรือความทุกข์ใจนะยังมีสติสาปรปฏิญาณของของร่างกายของจิตใจใเป็นปกติได้คำนะว่าของหน้าตายเป็นปกติไม่ใช่ว่าไม่ไม่ทุกข์กายนะแต่หมายถึงว่าไม่ให้กระตัดกระต่ตายนะไม่ให้ทุรนทุรา ย, ยา น, น, นะก็ยังประคองตัวเองเด็ดทั้ง หมดลมหายใจได้อันนี้คืออนุภาพของอะไรอนุภาพของการที่นะจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วนะมันก็ส่งอนุภาพต่อการมีชีวิตจนตั้งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพรนะาอารหันต์หลายรูป ก, นะก็มีชีวิตแบบนี้แหละนะแต่เราเองอาจจะต้องกลับมาถามดูตัวเองว่า เราแน่ใจไหมว่าถ้าถึงวันที่เราเป็นแบบนั้นเราเจะประกอบสติได้ไหมนัตต่นกบมาถามมือเองนะว่าเอาง่ายๆยังไม่ต้องถึงขั้นนั่นหรอกนะแค่ของหายใจเราเป็นแบบไหนเป็นไห ม, มแค่คนวิจารณ์นะไม่ถึงกับดานะแค่คบวิจารณ์งานที่เราทำนะนะเรารู้สึกแบบไหนเป็นไหมนะหรือตอนที่เรา ทำดีกับเขาไม่ขอบคุณสักคำเลยเรารู้สนะึกแบบไหนอแล้วก็กลับมาอันเนี้ยถ้าเรากลับมาดูมาทบทวนตัวเองนาะกนะว่าเราพร้อมหรื อ, อยังนะพร้อมที่จะเจอกับโลกกระทำไปลบนะหรือพร้อมที่จะเจอกับบวามเสื่อมของร่างกายนะที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสราพร้อมไหมนะ ถ้เรายังไม่พร้อมเนี่ยเราต้องเล่งรหรือว่าเราต้องอพยายามสร้างที่พึ่งให้กับใจของเราให้ได้เ น, นะ่ยการมาการมาฝึกฝนใจเนะี่ะเรียกว่าอย่างพระพทธเจ้าบอกท่านให้ละสิ่งที่เป็นบาสิ่งที่เป็นความชั่วสางกุศลนะสางกุศล ค, คือสร้างบุญกุศลนะแต่บุญกุศลนี่เราจะไปตีความเองแค่ว่าต้อง ใส่บาทต้องถวายสังฆทานต้องอทําบุญที่วัดนะ่ะอันนั้นเป็นกุศลก็จริงแต่มันก็ยังไม่ได้กุศลจริงๆว ง, งไหมเป็นกุศลก็จริงนะแต่มันไม่ใช่กุศลจริงๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นความสุขใจช่วงคําง้งช่วงคราวนะใช่ไหมก่อนที่เราจะให้เราก็สุขใจขณะที่ให้เราก็สุขใจ ให้เสร็จแล้วเราก็สุขใจแต่กลับมาเจอรถติดก็ทุกข์ใจ <c oughs> กลับมาทำงานแล้วเครยียดเราก็ป็นทุกข์ใจใชเพราะฉะนั้นเรียว่าเป็นกุศลที่ให้ความสุขชั่วคราวนะเปรียบเหมือนเราได้สิ่งของเร า, าก็มีความสุขชั่วคราวแต่อันนี้มันก็ดีกว่าคือเราได้ให้เนาะเราได้สละออกไปมันเกิดเป็นความสุขใจนะชั่วคราวแต่มันก็อย่ที่บอกมันก็ดีต่อการที่เรา ไปคอยความสุขจากการที่ได้อะไรเนาะนะเราได้ให้อะไรก็มีความสุขมันก็ดีนี่เป็นกุศลนะที่เราก็ควรหมั่นที่จะสร้างแต่อย่างที่ว่ากุศลที่แท้จริงคือจิตใจที่บริสุทธิ์นั่นแหละ <c oughs> การกับเข้ามาหาจิตใจที่บริสุทธิ์หรือว่าการนะทำอย่างไรถึงจะขจัดสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เขาไปจับจิตใจได้ เนี่ยถึงจะเป็นกุศลจริงๆถ้าเราสามารถขนะจัดสิ่งที่เป็นความไม่บริสุทธิ์ออกไปจากจิตใจได้มันก็เหลือจิตใจที่บริสุทธิ์มันก็สะอาดสว่างสงบแล้วอันนั้นแหละเป็นกุศลจริงๆที่หมูเรียกว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็มันไม่เป็นอะไรหรอกมันก็เป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้ น, นแต่จริง สิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของจิตคือจิตที่ไวฝืนมันมันมีอยู่แล้วเนาะดังนั้นอาการที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่แค่อาการข้างนอกเนา ะ, นะถ้าเรางงเห็นตรงนี้หรือเข้าถึงตรงนี้ได้เนาะมันก็ถือว่าเป็นสุดยอดของกุศลสุดยอดของกุศลตรงนี้คืออะไรเนี่ยคือสิ่งที่ ที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็ที่เราระดับฝึดอยู่พูดแบบนี้ไมปฟังไงมมันมีอยู่แล้วทําไมต้องฝึดเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะเหมือนความเหมือนเสื้อผ้าของเราเนะี่ยก่อนที่เราจะใส่มันก็สะอาดอยู่แล้วอืมแต่พอมาใส่แล้วจำเลาต้องซักอ่าเขาบอกเราใช้ชีวิตมันก็ผ่านอสุรบ้างทางความคิดทางคำพูดทางการกระทำเนาะมันก็ย้อมย้อมใจให้มัน เคือบด้วยความสกปรกบ้างเป็นบางขนาดนะแต่ถามว่าฝุ่นละอองที่ภัยที่มันติดเสื้อกับเสื้อมันเป็นรับเดียวกันไหมมันตะัดออกได้ใช่ไหมฝุ่นความสกปร ก, ปกนะเราจึงซัดออกไปจากเสื้อให้หมันสะอาดเหมือนเดิมได้จิตใจของเราก็เหมือนกันแหละนะนะใ้ความไม่ ไม่สะอาดความสกปรกมันก็มันก็เป็นแค่ชั่วขณะหนึ่งนะถ้าเราสามารถกลับมารู้สึกตัวนะกลับมามีสติได้จิตก็กลับมาสะอาดบร้สุกิเหมือนเดิมแล้วนะนะไม่ใช่ว่าเราจะปิดกัน้นไม่ให้สิ่งสกปรกเข้ามานะเหมือนคนที่มีปัญญาคนที่ฉลาดเราก็ใช้เสื้อใช้เครื่องมือห่ม เพือบรรบความร้อนความหนาวหรืออเหลือกยุงดงแดดต่างๆนะเราก็ใช้เขาเมื่อถึงข่าวสับปะปะเราก็ซักนะให้มันสะอาดเหมือนเดิมปิตใจนี้ก็เหมือนกันเนาะเราไม่ได้ปฏิเสธในการไม่ให้ใช้เขาเลยนะแต่เพียงแต่ว่าเราคอยรักษาเขาเนาะเมื่อนะความคิดนความสัปะปของปิตใจมันเกิดเพราะเรา หลงไปคิดโดที่เราดืมตัวหลนะงไปคิดหรือว่าการที่เราเป็นจมกับอารมณ์นั่นแหละหมายถ้าไม่จิตใจมันมันกลับไปอ่าเรียกว่ามีความสโสโครกเกิดขึ้นไม่สะอาดไม่บริสุทธินะ์แต่จริงความคิดนั้นนะมันเกิดกับจิตนะแต่มั่นก็ไม่ใช่จิตจริงๆนะนะนะมันเป็นเพียงแค่อารมณ์หนึ่ง ถือว่าอาการหนึ่งที่มันแสดงพี่จิตนะแต่ถ้าเราเห็นนะเราจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ไม่ได้เป็นอะไรมากกอ่นั้นถ้าเรากลับมามีสติรู้ตัวมันก็จิต ก, ก็ตลับมาเป็นปกติได้นะมีมีได้อ่านหนังสือเรื่องหนึ่งนะเขาพูดที น, นี้มาว่าเหมือนหน้าฟังนะ เป็นสัสือเรื่อง The Power of Now เข า, า, นะ เ, ขาเขาบอกว่าที่จริงตัวเรานะี่ยเกียบเหมือนกับมหาสมุทรนะมหาสมุทรนะมันก็ย่อมมีคลื่นนะที่จริงคลื่นนะจากมหาสมุทรกับมหาสมุทรนะที่จริงมันก็เป็นเป็นเนื้อเดียวกันนะเราแยกได้ไหมระหว่างมหาสมุทรกับคลื่น เาอาจจะแยกได้ด้วยจินตญาณนะหรือแยกได้ด้วยขนาดแต่จริงแล้วท่า น, ม, น, นมันมีมหามตนุสมันก็ย่อมมีขึ้นแต่ขึ้นมันก็กลับไปหามหาสนุสเหมือนเดิมที่จริงก็ถ้าเราเข้าใจคําพูดนี้นะเราก็จะมีรู้สึกแบ่งแยกระหว่างระหว่างจิตที่มันสะอาดบริสุทธิ์กับจิตที่มันหลงไปคิดนะ่ะ มันก็เกิดที่จิตเหมือนกันแต่ถิ่นเหว่าอาการมันแตกต่างกันบ้างแต่ที่จริงแล้วความคิดหรืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้าเปลี่ยนไปเหมือนก็เปลี่ยนไปเหมือนขึ้นแต่สุดท้ายขึ้นก็คือขึ้นมันก็กลับมาสงบเหมือนเดิมมันก็ทกฝั่งก็หายเป็นเหมือนเดิมอาจจะเกิดขึ้นความคิดและล่องในแต่ัน้ก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมดังนั้นสิ่งที่มัน มันจริงแท้กว่าคือเปรียบเทียบก็เหมือนศัพมหาสมุทรที่มันมันกว้างใหญ่แล้วก็มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะของคลื่นนั้นจิตที่มันบริสุดธิจิตที่สะอาดก็เหมือนกันมันก็เป็นปกติของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วนะความคิดหรืออารมณ์ันก็เป็นเพียงแค่ชื่อที่ที่จอเข้ามาชัว่วคราวนะ เราพยายามถ้าเรากลับมามีสติก็จะเหมือนเรากลับมาหาความสงบที่มันอยู่ในขึ้นตรงนั้นแหละนะหลวงพ่อรังเขียนให้บอกในความโกรธก็มีความไม่โกรธเราเคยเห็นไหม <c oughs> ในความทุกข์ก็มีความไม่ทุกขนะ์ในความหลงก็มีความไม่หลงนะมันอยู่ตรงนั้นแหละนะ ถ้าเราศึกษาดูดีๆนะเราจะเห็นนะแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อเกิดความโกรธเราไม่ชอบความโกรธนะหรือบางทีเราก็หลงทำตามความโกรธเป็นผะู้โกรธเราก็เลยไม่เห็นความไม่โกรธงในนั้นนะหรือเมื่อเกิดความทุกขนะ์เราไม่ชอบความทุกข์เราอยากห น, นีความทุกขนะ์อยากจะทำให้ความทุกข์มันหายไปเร็วๆนะเราก็เลย หาวิธีที่จะแก้ทุกนะแต่วิธีการส่วนใหญ่ก็คือเป็นการเลี่ยงทุกนะหนีทุกนะหลบทุกแต่พระพุอทธองค์ท่านให้เราเรียนรู้ทุกนะนะทุกเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้เพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดความทุกนะเรากลับมามองดูความทุกเราจะเห็นความไม่ทุกอยู่ตรงนั้นแหละนะเห็นเลยนะ เห็นเหตุของความทุกข์เกิจดจากอะไรนะนะเห็นเหตุของความทุกข์เกิดใจที่มันยึดใจที่มันอยากนะใจที่มันนหะลงเนะมื่อเราเห็นเหตุตรงนั้นเราละเหตุไดนะ้มันยึดนะมันอยากมันหลงลนะเรนะาก็ปล่อยก็เลิกยึดนะละบังอยากนกลับมารู้ตัวไม่หลงมันก็มันก็ไม่ทุกข์แล้วนะ โกร็เหมือนกันถ้าเราเห็นความโกรธเห็นตัวมาก็เคยโกรธนะตอนพอเรากลับมาเห็นความโกรธเอ้าความโกรธที่เคยจริงจังนะเอาจริงเอาจังเคียดแคนเอ้ามันหายไปไหนเ <c ười> มื่อกี้ยังโกรธไม่เรียกว่าไม่ไม่อยากจะคบแล้วไม่อยากจะอะไรแล้วอพอเรากลับมาเห็นความโกรธความโกรธมันก็หาย เรียกว่าในความโกรธที่จริงมันมีความให้โกรธว่าแต่เรากลับมาเห็นมันไหมแต่ถ้าเราเป็นกำมาเราสนองเขาเนยมันก็ยิ่งโกรธไปใหญ่นะหรือบงทีเราไม่ชอบเราหนีมันก็เป็นการมันก็ยิ่งแบบทําไมไม่หายทันทีนะทั้งโกรธด้วยทั้งทุกข์ด้วยทั้งไม่ชอบด้วยอันนี้ที่จริงนะสิ่งสาคัญเนานะ อะไรเกิดขึ้นในการในใจเราเรายอมรับมันนะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนนะแต่จิตที่มันหลงนะมันจะคอ ย, ยปฏิเสธนะปฏิเสธไม่อยากไม่ยอมรับนะเมื่อเกิดความฟุ้กเกิดกิเลสขึ้นในใจเนี่ยเราจะปฏิเสธแต่ตามภาวนาจริงๆคือต้องยอมรับความจริงก่อนเมื่อยอมรับความจริงแล้วเราก็ศึกษานะความจริงตรงนั้น ถ้าเป็นทางโลกนะักเหมือนเคยพูดว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นนะเราต้องยอมรับก่อนวนะ่ามันเป็นปัญหาใช่ไหมแล้วเราก็ต้องมาศึกษาดูว่านะเหตุของปัญหามันคืออะไรวิธีแก้ไขต้องทําอย่างไรใช่ไหมแล้วนะเราก็แก้ไขปัญหานั้นนะถ้าทําเหตุปัจจัยถูกปัญหามันก็จบอันนี้ทางโลกมันก็เป็นแบบนั้นนะ่ะทางธรรก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเนาะ เกิดความทุกข์ในใจเราต้องยอมรับก่อนเกิดก yes ิเลสขึ้นในใจเราก็ต้องยอมรับก่อนนะเกิดความวุ่นวายในใจเรากต้องยอมรับก่อนเมื่อยอมรับแล้วเราก็กลับมาดูเขาดูเขาดูเฉยๆแล้วเราจะเข้าใจเขาเมื่อเราเข้าใจเขาแล้วนะจิตมันก็วางของมันเองเข้าใจว่าอะไรเห็นนเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่เกิดขึ้น ตรงนั้นแหละนะไม่ว่าจะโกรธโลภหรงมันก็มันก็ไม่เที่ยงนะเมื่อเห็นแล้วมันก็มันก็วางคำมันเองหรือเห็นว่าที่เราทุบมากมากนี่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่เพราะคําพูดที่เขาว่านะแต่เพราะเรายึดว่าเขาว่าเราเนะี่ยเพราะเขาด่าเราเนะ่ยเราก็เลยทุบใจนะแต่พอดูจริงๆแล้วนะีย เขาด่าไม่รู้กี่วันแล้วเนะแต่เรามาคิดนี่เราเราด่าตัวเองนะ <c oughs> ใช่เหมคนก็ด่าบรั้งนึ่งแต่เราด่าตัวเองไมรู้กี่ครั้งนะก็ไอคนที่พูดในใจก็ใครก็เราใช่ไหมเรามามาหลงว่าตัวเองนะอันนี้คือเห็นโอ้ไม่ใช่ใครทําร้ายเรานะเราทำร้ายตัวเองอืมเห็นว่าคนที่ทําร้ายเนะี่ยไม่ใช่คนอื่นเนาะนี่คือเรามองเหตุออกนะ เหตุที่ทุกข์ไม่ใช่เพราะคนอื่นนะเหตุที่ทุกข์ก็ใจที่หลงนี่เองเนาะพอเรารู้ทันแบบเนี้ยติดมันก็จะตื่นมาคําว่าตื่นนี่ไม่ใช่ว่าอ่าจะไม่หลงอีกนะคําว่าตื่นก็เหมือนเหมือนเราฝันแล้วเราก็ตื่นจากความฝันความฝันนั้นก็จบไปนอนอีกอาจะฝันอีกก็ได้นะเข้า <c oughs> ไหมนอนอีกก็จะฝันอีกแต่มันก็ แสามารถตื่นออกมาจากความฝันได้อีกเหมือนเรากินข้าวเราคิดว่าเรากินมื้อ น, นี้มันจะอิ่มไปตลอดชีวิตไหมถ้าจะตายตอนนี้ก็อาจจะไมใช่แต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็อาจจะขิ้อีกใช่ไหมเรากินข้าวเราก็ไม่ฝันทนาว่ามันจะต้องไม่กินอีกใช่ไมืมการตื่นรู้ก็เหมือนกันนะการออกจากความทุกข์ความโกรมก็เหมือนกันถ้าใครฝันทนาว่าคิดเรื่องนี้แล้ว พอรู้ทันมันต้องเลิกคิดเลยนี่คือเราเราฉลาดหรือเราโง่นหรอใช่ไหมใช่ไหมเราก็ถามตัวเองเลยคนที่กินข้าวแล้วคิดว่าจะต้องไม่กินอีกเนี่ยเขาฉลาดหรือโง่จิตเราที่คิดว่ามันมันคิดพอเรารู้ทันมันต้องเลิกคิดเนี่ยเราก็เนี่ยฉลาดพอพอกับคนคนที่คิดว่ากินข้าวแล้วก็ต้องไม่กินอีกใช่ไหมอืมหลังนั้นจี่หญิง เราวางใจแบบไหนนะเราก็แค่รู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนะเมื่อเรารู้ทันก็จะดับไนะแต่ถ้ามันจะเกิดขึ้นใหม่เราก็แค่รู้ทันใหม่เนะหมือนกับเรากินข้าวกินแล้วตอนเย็นก็หิวอีกก็ต้องกินอีกนะก็กินอี ก, กหน้าที่เราก็คือกินะมันเทาความหิวนะหน้าที่เราก็คือการมีสติมาเทาความทุกข์ นะทีลัขนาดใส่เพื่อแล้วมันสก ป, ปกก็ต้องซักนะซักสะอาดแล้วก็ใส่อีกอันนี้ก็เราทำกิจที่ถูกคือแบบนี้เนาะนั้นการภาวนาการปฏิบัติธรรมก็คือการกลับมารู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบั น, นยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ศึกษาเขาดูความทุกข์การดูความทุกข์นเนี่ย มันก็ดูได้เอาง่ายๆดูได้สอลักษณะดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายอย่างหนึง่งแล้วก็ดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจอย่างหนึง่งเนะี่ยเพราะร่างกายกับจิตใจมันสัมพันธ์กันเนาะบางทีเราทุกข์ใจก็จริงแหละแต่มันก็แต่มันก็ส่งปฏิญาต่อร่างกายด้วยอย่างเช่นอย่างเช่นเวลาโกรธนะโกรธมันก็ทุกข์ใจนะีโกรธแล้ว ร่างกายเป็นแบบไหนถ้าเราจับมาสังเกตปฏิยาของร่างกายขณะที่ปวดได้มันก็จะคลายความปวดได้นะสังเกตไหมอ่าถ้าเราดูเวลากลัวเห็นไหมเวลากลัวปฏิกิริยาของร่างกายเป็นแบบไหนนีถ้าเราเห็นปฏิยาของร่างกายขณะที่กลัวได้มันก็คลายความกลัวได้นเหมือนพระอาจ า, ารย์ในศานเเล่านะ แตยเล่าว่ามีเด็กคนนึ่งเขกลัวป๊ะเนะี่ยไปจะข้ามเรือข้ามฟ้าเมื่อไร่เนี่ยจะร้องนะพ่อก็พยายามสอนพยอยามบอกว่าอย่ากลัวไม่มีอะไรน่ากลัวอะไรก็ใช้คําพูดใช้คําสอนเนาะก็ไม่ได้ผลจนวันหนึ่งพ่อก็ไปขอคําแนะนํากับเพื่อนเขาก็แนะนําให้อ่าให้ลองวิธีหนึ่งนะพอเวลาวันหนึ่งก็ลูกก็ไปที่ป๊ะ กัพ่อเหมือนเดิมลูกก็้อมก็กลัวเพาะอันนี้พ่อแทนที่จะบอกว่าอย่ากลัวพ่อบอกลูกว่าลองดูซิความกลัวเป็นแบบไหนเด็กอายุประมาณมาสักสี่ห้าขวบแบบนี้เนาะเขาก็กลับมาดูความกลัวนดูความกลัวที่ตัวของตัเองนะสักพักหนึ่งเขาก็พูดกับพ่อว่าอ๋อตอนกลัวเนี่ยใจมันสั่นนะ หายใจมันทีเนะีตื้ดอัดไม่สบายพอเขาพูดกพูดแบบนั้นสักพักหนึ่งนะเขาก็ลงจากท้อมแก่งของข้อมามาเดินมายืนที่พบเป็นปกติความกลัวมันหายพรตอนไหนเขาเขารู้ทันตัวเองใช่ไหมพอเขามาเห็นอ้มันกลัวเป็นแบบนี้เนะี่ยกายก็คลายความกลัวนะไอ้ที่เคยเกรงหายใจที นะน่ะซันมันก็คลายไปจิตใจที่กลวมนก็หายไปตอนไหนก็ไม่รู้ก็กลับมาเป็นปกติได้อันนี้นะก็เราลองสังเกต ด, ดูเวลาเกิดความโกรธเกิดความกลัวเกิดอามรามณ์ต่างๆเนาะเราก็สังเกต ด, ดูร่างกายของเราก็ได้นะ่ะหรืออีกอย่างหนึ่งหรือบางคนก็อ่า ถนัดในการกลับมาสังเกตดูใจก็ได้นะคืออาจจะไม่ได้เน้นสนใจร่างกายว่าตอนนั้นสร้างกายมันมีปฏิกิริยาแบบไหนก็แค่กลับมาสังเกตดูใจอ๋อใจที่กลัวเป็นแบบนี้นะใจที่อยากเป็นแบบนี้นะใจที่ฟุ้งซ่านเป็นแบบนีนะ้ก็กลับมาดูนะดูแบบแต่ต้องดูแบบเหมือน ใช้เป็นผู้สังเกตการนะ่ะไม่ใช่ดูเหมือนว่าทีนี้มันเป็นเรานะต้องดูแบบเป็นผู้สังเกตการนะ์ดต้องพยายามนะเรียกว่าเลิกความเคจริงเก่กเกาๆที่เราเป็นนักวิเคราะห์นักวิจารณ์นักวิาพากต์ลึมนักจัดการเพ <c oughs> รานี้นะบางทีมั น, ม, นมันเป็นปัญหาข้ออะไร พอเราพอเราเห็นว่าสิ่งนี้มันไม่ดีมันไม่ชอบเราก็จะมีภาพวิจารณ์หรือว่าจัดการเนาะกับอารมณ์ตรงนั้นให้มันดีหรือว่าให้เป็นอย่างที่เราชอบแต่หลักจริงๆนะดูแบบเป็นผู้สังเกตจริงๆเนะ่ยมันจะเห็นว่ามันจะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะมันก็ดับไปตรงนั้นไม่ต้องทําอะไรนะ ยิ่งทําเ่ยยิ่งยิ่งมากความหรือว่ายิ่งยิ่ ง, งทุกเป็นมากกว่าเต่านะถ้าเราดูแบบเป็นผู้สังเกตการมีจริงนะมันก็จะสบายนะนะเดิมแรกมันอาจจะยังมีนักวิาพากษ์วิจานนรณ์นักวิเคราะห์นักจัดการอยู่บ้างแต่ลองฝึกวันไหนลองฝึกไม่ให้มันตอบมาทาันคํำพูดหรื อ, อการกระทาได้ไหมมาอาจจะมา จ, จะมีคน มีคำพูดหนึ่งอยู่ในใจเราบ่อยๆเนาะวิจารณนั่นนี่แต่ก็อยู่ในใจแล้วก็ลองสังเกตดูว่าไอ้ตัวที่พูดกับใจจริงๆมันเป็นตัวเดียวกันไหมเราดูสินะอืมไอ้ที่มันวิจารวิจารณของมันเองนะใช่ตราวิจารไหอืมอืมไอ้ที่มันมไม่ชอบ มันเป็นความไม่ชอบของมันเองหรือว่าเราไม่ชอบลองดูนะลองดูงที่ติดขึ้นในใจมันเป็นของมันเองนะหรือว่าเราตั้งใจเป็นนะไอที่เราขัดแย้งในใจอันนี้ไม่ชอบนะแล้วก็อยากให้มันออกไปนะทำไมมีตัวหนึ่งที่มันแสดงความไม่ชอบแบบนี้แล้วทำไมมีอีกตัวหนึ่งที่แสดง ความอยากจะให้ความไม่ชอบนี้หายไปทําไมในใจเรามีสองตัว น, นตัวหนึ่งเกิดอารมณ์แบบนี้เกิดความคิดแบบนี้อีกตัวหนึ่งอยากจะกําจัดเัืให้ออกไปอันไหนคือตัวเราจริงๆลองดูย ด, ดีนะเราก็จะเห็นว่าทุกตัวที่มาแสดงมก็ไม่ใช่เราหรอกมันเป็นแค่มันเป็นเพียงแ ค, มแค่มันนักสแสดงเนาะ นักแสดงบนเวทีหรือนักแสดงในโทรทัศนะ์มันก็เหมือนปรากฏขึ้นในจอในเวทีชั่วขณนะนตามบทที่มันแสดงของมันเองไม่ใช่เรานะหาความเป็นเราจริงๆได้จากที่ไหนลองเลยดีนะคำว่าความเป็นเราจริงๆมันคืออะไรนะคำว่าความเป็นเราจริงๆ บ, บังคับสั่งการ ตามที่ปัตตนาได้หรือเปล่าถ้าเราหาคนในเราตรงนั้นไม่ได้เนะีนะ่ยมันใช่เราจริงหรือเปล่าเนะี่ยก็เนี่ยนี่คือการดูนะไม่ใช่การคิดนะลองต้อ ง, ต, องต้องเรียกว่าต้องจับหลักตัว น, นี้ให้ได้เนาะนะไม่ต้องพยายามจะคิดให้เข้าใจนะแต่ลองฝึกเป็นผู้ดูนะอย่างที่บอกว่าเราจะฝึกดูร่างกาย ก็ได้ฝึกดูจิตใจก็ได้เนาะฝึกแบบเนี้ยเมื่อมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราฝึกกลับมาดูนดูร่างกายมันแสดงพฤติกรรมแบบไห น, นดูจิตใจมันมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเนาะเราฝึก ด, ดูตรงนี้แต่ปัญหาของคนที่ไม่ปฏิบัติก็คือว่าเรามักจะไปดูคนอื่นเช่นอเขาด่าเราเนี่ยเราจิตเราไปอยู่ตรงไห น, ใน หรือคนที่ด่านนะจะเอาคืนอย่างไรเนะใช่ไห ม, อมไอ้คันนี้ก็ขับปาดหน้าเนี่ยใจเราไม่อยู่กับรถเ่นะไปอยู่กับรถคันนั้นนะจะเอาคืนมันอย่างไรอยู่ในนะี้คือจิตเราไปส่งอยู่ต้องนอกเนะาะทําไงจะให้จิตกลับมาดูดูกายดนใจนะฝึกตรงนี้เองนะเราฝึก แ, แบบนี้นะฝึกแบบนี้แล้วก็อาจจะต้องมีความ ป้อนโยนหรือว่ารู้จักให้ัยตัวเองไดนะ้นะะคือไม่ใช่ว่ามันจะหลงไม่ได้เนาะคําว่าป้อนโยนให้ไฟคือเหมือนให้โอกาสตัวเราในการแก้ตัวใหม่ดินคะําว่าแก้ตัวใหม่ดิเนี่ยคืออะไรเหมือนเราทําผิดเนาะเมื่อกี้หลงไปแก้ตัวใหม่ก็คือทําให้มันถูกขึ้นใช่ไหมเมื่อกี้มันขาดสติแก้ตัวใหม่ก็คือกลับมามีสติสิ ซึ่งการแก้ตัวใหม่แบบนี้ยทําได้นะไม่ต้องรอใครให้ใัยนะถ้าเรารู้จักให้ใครตัวเองแล้วก็แก้ตัวใหม่ก็คือกับมามีสติตใหม่ทําได้ในนี้ไม่ต้องรอนะทําหน้าแบบไหนแค่หายใจเข้า <c oughs> รู้สึกถึงการหายใจเข้าเนี้ยได้ก็มีสติตแล้วใช่ไหมหรือคิดมืออ้กลับมามีสติตรู้ตัวการคิดมือเนี่ย คือการแก้ตัวใหม่แล้วนะเมื่อกี้มันหลงไปคิดหลงไปโฟดเรากลับมาแก้ตัวใหม่เพราะมีสติใหม่ในการที่เดินนะหรือกินข้าวก็าตื่กลับมาแก้ตัวใหม่ที่ปฏิบันเนาะไอ้ที่หลงผ่านไปแล้วอ่ะชัาหงหนมันต้องรู้จักให้อภัยแล้วก็แก้ตัวใหม่ในการกลับมามีสติซึ่งตรงนี้นะเนีถ้าพูดแบบภาษา ท่านสมัยหน่อยนะหลวงพ่อของเขียนท่านก็เป็นคนอาจจะอายุเยอะนะแต่ท่านใช้ตับท่านสมัยมาก็ระเขาบอกเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ <c oughs> ไมมทุกขนะ์ใช่ไหมเรามีสิทธิ์ที่จะมีสตินะใช่ไสิทธิ์นี้ไม่ต้องขอใครไม่ต้องมีลัชธรรมพุุนก็ได้ <c oughs> แต่เรามีสิทธิ์ที่จะไม่ทุกข์ได้นะใช่ไหมถ้าเรากลับมามีสติมีความรู้ตัวเนี่ยเราก็ นะข้าถึงความไม่ทุกได้ในตอนนี้นะอันนี้คือติดทิโดยธรรมชาติของมนุษย์นะนะไม่ใช่ติดทิพที่ใครให้เรานะแต่ติดทิพย์ตรงนี้แหละคือคระเจ้าท่านยา้ําว่าใจเราเป็นปกติอยู่แล้ ว, ลวเราก็กลับมาบ่อยๆนะกลับมาหาควาเป็นปกติ บ, บ่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เราก็ต้องกลับมาบ่อยๆนะนะแต่ก็มันก็จะมีอีกรูปแบบนะ ถ้าเราปฏิบัติในรูปแบบมันก็จะเป็นการช่วยเสริมหรือว่าช่วยย้ําหรือว่าช่วยให้มันทําได้ง่ายขึ้นถ้าเราปฏิบัติในรูปแบบเช่นการยกมื อ, ต, อตั้งจันวาการเดินจงกรมหรือการนั่งดูลมหายใจะมันจะทําให้ใคล้ายๆเราเห็นชัดขึ้นว่าไอ้ความหลงไอ้ความคิดต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไม่ได้ตั้งใจนะ เมื่อกี้เราคลยๆความตั้งใจของเราตอนนี้คือการทรําในทุกแบบเนี่ยคือการรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวกับการเดินนะ่ะให้การหลงคิดเนี่ยมันมันจ้อนประมาณนี้มั น, ม น, น, มน ไ, มไม่ใช่มันไม่ใช่ใช่ไหมอืมนะเราก็จะอ้อมันหลงไปล้วแล้วก็กลับมาได้นะแต่บางทีตอนทํางานบางทีก็แยกงไม่ออกเองงานมันก็ใช้ความคิดเนีะ่ะ ให้ความคิดที่แทรกเข้ามามันก็เป็นความคิดเหมือนกันมันก็แยกยากเนาะแต่เนี้ยเหมือนเราคล้ายๆเหมือนอเหมือนเราทํางานเนาะเรามีชุดทีมของเรายูนิฟอร์มเนี่ยยูนิฟอร์มเราแบบเนี้ยถ้าคนนอกแทรกเข้ามาเนี่ยใส่เสื้อไม่เหมือนเราเนี่ยเป็นนอกเนยอืมตอนนี้ก็เหมือนกันตอนเนี้ยคือเราทําความเป็นปกติทําความรู้ตัวนในการมีสติรู้ทันกายเคลื่อนไหว ถ้าใจมันเกิดเป็นคิดนี่แปลว่ามันเป็นคนนอกมันแสกเข้ามามันไม่ใช่ความตั้งใจนะอืแล้วก็มันก็ไม่ได้ผิดอย่างที่ว่าแต่มันเป็นตัวเตือนให้เรากลับมามีสติอ๋อรู้ทันละมีสิ่งแส้ฟองเข้ามาต้องเข้าระวังต้องกลับมารู้สึกตัวนะอันนี้คือเวลาปฏิบัติตรงนี้มันจะช่วยหรือที่จริงมาว่าวิธีการแบบนี้มันก็ช่วยปลุกนะ ช่วยปุกความรู้ตัวได้ได้ดีขึ้นนะอย่างเมื่อวานก็พูดไปเนะี่ยบอกว่าเนี่ยบางทีเราเรียกว่าเนี่ยการสร้างจังหวัด น, นะนะยกมือสร้างจังหวัดแต่จริงอันมาอยากจะพูดว่ามันเป็นการยกมือเพื่อสร้างความรู้ตัวอ<ม>ช่ไหมมันไม่ใช่การสร้างจังหวัดมันคือกิริยาคือรูปแบบอติดสี่จังหวัดบางคนก็เทียงติดห้าจังหวัดมาแล้เทียมแตเทียมไม่เป็นไรหรอกนะ ติดสี่จังหวัดติด้าจังหวัดก็แล้วแต่คนเจนนะแต่จริงสร้างความรู้ตัวนะถ้าสร้างความรู้ตัวเนี่ยติกี่จังหวัดไม่สําคัญทิกมือข้อมือทิกรู้สึกตัวข้อมรู้สึกตัวสองจังหวัดรู้สึกตัวก็ได้ติดสี่ติดห้าจังหวัดยกมือก็สร้างความรู้สึกตัวไม่ได้สร้างอะไรอื่นนะสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาในทุกครั้ง เดินก็เหมือนกันเดินจงกรมไม่ใช่เอาเวลานี่เอาระยะทางแต่เดินเพื่อสร้างความรู้สึกตัวใช่ไหมแต่บ้งกนเดินเพื่อสร้างรูปแบบที่มันคิดว่าแบบนี้มันสงบคิดว่าแบบนี้มันถูกเดินเพื่อสร้างความรู้ตัวนกินข้าวก็สร้างความรู้ตัวอาบน้ําก็สร้างความรู้ตัวกวาดบ้านก็เพื่อสร้างความรู้สึกตัว แต่มันก็ได้งานข้างนอกด้วยได้งานข้างในด้วยดีกว่าไหมใช่ไหมแต่ก่อนเราทํางานข้างนอกเราคิดว่าทํางานเพื่อจะได้เงินใช่ไมืมกินข้าวก็จะได้กินท้องอย่างเดียวแต่ถ้าเราทําทั้งงานทั้งข้างนอกด้วยทําทั้งความรู้สึกตัวไปด้วยเราได้สองอย่างนะกินข้าวก็อิ่มใจก็กอิ่มนะกว่าชื้นบ้านก็สะอาด ใจเราก็สะอาดใช่ไหมอาบน้ำํำร่างกายก็สะอาดใจก็สะอาดในจริงร่างกายก็สะอาดกคนที่ทําแบบไม่รู้สึกตัวจริงนะสังเกตไหมถ้าเราอาบน้ําอย่างไม่รู้สึกตัวแล้วก็อาบแบบไม่ได้ใส่ใจเท่าไรการถูการอะไรก็ไม่ค่อยสะอาดเปลืองน้ําด้วยกวาดบ้านก็ไม่ก็เหมือนกันนะถ้าเรากวาดอย่างกวาดตรงๆกวาดให้เสร็จๆขวดไปบนไปอย่างไหย มันก็เหนื่อยนะกายก็เหนื่อยใจก็ทุกข์แต่ถากว่าดีวความรู้สึกตัวนะมันก็มีสตินะทําแบบรอบคอบละเอียดแล้วก็สะอาดใจก็คอยสะอาดไปด้วยนะดัง น, นั้นไม่ว่าเราจะทําในรูปแบบก็ดีหรือทํำนอกรูปแบบก็ดีถ้าเราทําเพื่อปุกสติปลุกความรู้ตัวนะนี่แหลนะเรียกว่าการภาวนาการภาวนาไม่ได้แบ่งแยกว่า แต่ต้องอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่ไหนนะมันอยู่ที่การวางใจที่ถูกนะมันอยู่ที่การสร้างความรู้ตัวขึ้นในแต่ละขณะนี่คือคำสอนเพื่อให้เรากลับมาหาจิตที่บริสุทธิ์นะจิตที่เป็นปกตินะหรือว่าจิตเดิมแท้ของของมนุษย์หรือว่าของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละนะมันมีอยู่แล้วนะเราเพียงแค่กลับมาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ทำทั้งหลายนะมันมีอยู่แล้วนะเพราะพระเจ้าทั้งหลายก็าเคารพพัฒมเพราะว่าทำนี้ไม่ใช่พระเจ้าทํานะเนี่ยแต่กลิ่นเลยว่าท่านพบนะพบแล้วก็ก็บอกสอนต่อเนาะแล้วก็ถ้าเราพบนะ่ะเราก็จะเนะข้าถึงธรรมนะเข้าถึงความเป็นพระสงฆ์นะด้วยการที่เราเข้าถึงสภาวะพุท ธ, ธะในจิตใจของเราเนาะนะก็กนะ็นะพูดไว้ เข้าใจบ้ไม่เข้าใจบ้างแจตจ่เชื่อมันนะน ะ, นะไม่ไเป็นไรฟังไว้ก่อนนะแล้วก็แต่อาศัยกันลองคึกถัดลองกระทำเนาะแล้วก็สังเกตนะสังเกตแล้วก็ค่อยๆดูไปเนะาะเราก็จะเกิด ค, ความค่อยๆเข้าใจมากขึ้นนะมันก็ปากไว้